ー ที่สุดนะเทศกาลเข้าภรษาก็กำลังจะยุติหรือผู้ภาษาสมัยใหม่คือกำลังจะปิดฉากลงเวลาสามเดือนนะตอนที่เราเริ่มเข้าภรษาวันแรกนะอาจจะรู้สึกว่ามันนานนะสามเดือนแต่เพอแป๊บเดียวนีนะ่มันก็กำลังจบภรษาลวหลายคนที่ตอนที่มาอยู่วัดมาบวชใหม่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 กล้จบภาษาแล้วนะถามใจเจ้าของว่าเราได้มีความก้าวหน้าขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าการจํำภาษานี่ก็คล้ายๆกับการเปิดเรียนนะนักเรียนเนี่ยเมื่อเปิดเรียนจากวันแรกเนะี่ยไม่ค่อยรู้อะไรพอมาถึงวันที่โรงเรียนกำลังจะปิดเทอมเนี่ยมันต้องรู้อะไรบ้างนะขนาด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 เพราะว่าพอออกไปนี่มันก็จะกลายเป็นการเรียวกว่าระเบิดเลยนะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าจำบรรษานี่มันมีแต่ความทุกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในคุกเลยทันทีที่ออกจากคุกนี่ก็จะโอ้มันอิสระเสรนะีต่อไปนี้จะทําอะไรก็ได้ตามใจนะอันนี้อันตรายเมื่อสี่ห้ปีก่อนนะมันมีผู้ชายคนนึงนะ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 ออิสระเสรีแล้วนะออกภาษาวันแรกนี้ก็ตรงเข้านะไปซื้อเหล้าทันทีกินเหล้านะไม่ได้กินมานานแนละ้วสามเดือนมันก็เมือกเต้าดไตอ ย, ยากกินใหญ่กินใหญ่ไม่นานก็เมานะไม่นานาก็พอเมาเสร็จก็กลับมาบ้านก็มามามาภาษาชาวช บ, บ้เรียกมาทํางี่เง่านะมาทํางี่เง่ากับเมียเอะอวยวายนะมเมียพูดไม่ถูกหู นิดหน่อยก็โกรธนะเมียก็ผิดหวังนะออกพรรษานะแค่วันเดียวเท่านั้นแหละเพือเวันออกพรรษาด้วยนะกินเหล้าเมาทะเลาะกันผัวนี่โกรธมากนะก็พยายามทำํำร้ายเมียด้วยความลืมตัวก็มือก็จะบีบคอเ ม, มียให้ตายให้เมียเนื้อมันรู้ทำไงนะกำจะตายอยู่แล้วก็มือนี่เปิดมือก็เป็ดปะกเปิปาก็ไปเจอไปเจอกับด้ามนะ ด้ามจอบหรือด้ามจอบหรือว่าคราดนี่แหละก็สะบัดตัวหลุดมาแล้วก็เอาเนี่ยเอาเอ า, เอาคราดนี่แหละเวียงเข้าไปนะมันปักอกผัวเนี่ยตายคาที่เลยนะตายในวันออกพรรษาด้วยมั้งเนี่ยโอ้นี่มันน่าเศร้านะแทนที่จะอแทนที่จะได้ธรรมะไปคุ้มครองนะจิตใจเจ้าของกับกลายเป็นว่า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 เขาเรียกว่าอาเสขารุคนอเสขารุคคลนี่คือคนที่ไม่ต้องศึกษาแล้วแม้แต่พระ อ, อริยชนต้นนะพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ยังต้องศึกษานะเรียกว่าเป็นเสขารุคคลเสขารุคคลเนี่ยเสขาก็คือศึกษาหรือสิกขานะต้องศึกษาต่อไปอันนี้รวมถึงคนที่จะศึกหาราเพศนะสกหาราเพศเนี่ย ก็นิยมกันทํากันออกภาษาแล้วสึกษาศึกษาศึกษาระเภเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีว่าลาสิกขานลาศิกขาสิกขาก็คือศึกษาเองแต่สิกขาในที่นี้เนี่ยเขไม่หมายถึงการศึกษาที่เรียกว่าใจศิกขานะใจศึกขานี่ต้องทำเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างที่ว่าส่วนศิกขาหรือลาศิกขานี่คือลาศิกขาบทสิกขาบทก็คือข้อปฏิบัติ2 2งรข้อนะเราก็ลา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 เป็นเป็นธรรมะประจําตัวว่าเราต้องใจจะไม่โกรธอวันไหนที่โกรธก็บริจาคเงินให้กับสาธารณประโยชน์มูลนิธิบริจาคเงินให้วัดสิบบาทห้าส บ, บาทร้อยบาทก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นศีลได้ดังนั้นคนเรานี้จะต้องเรียนกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็อย่าทิ้งศีลอย่าทิ้งธรรมยังต้องทำยังต้องปฏิบัติต้อง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 สามด้วย น, นะก็ไม่ใช่ว่ามันทำดีแต่เฉพาะเข้าราษาออกราษาแล้วก็เสีย่านะให้เรามีความฉลาดในการรู้ทันกิเลสสิ่งที่ทำให้เรารู้ทันกิเลสเนี่ยคือสติเนะี่สติเนี่ยทำให้เรารู้ทันกิเลสได้ไวเพราะเป็นเหมือนตาในกิเลสเหมือนกับศัตรูที่มันจะเข้ามาหรือเป็นสายลับนะที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายมาก่อ ก, อการร้ายในเมืองเมืองสมัยก่อนนี่เาก็มีมีกาแพง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 ไม่ไปชนคนตายหรือว่าไม่ไปแหกโคง้งลงคูนี่เรียกว่าโชคดีนะโชคดีเพราะอะไรเพราะมีสตินะเดินผ่านร้านเหล้านะ่ะไอ้กิเลสมันก็จะมาชวนชวนให้อกินเหล้าเถอะอกินเหล้าเถอะนะหรือว่าเดินผ่านบ้านเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนกําลังกงเหล้ากันอยู่กิเลสมันมาชวนนะว่าให้กินเหล้าเถอะนะ ถ้ามีสติรู้ทันกิเลสนะเออไม่หลงเชื่อมันเดินผ่านไปเลยอย่างนี้เรกาโชคดีนะพะเกิดหลงเชื่อมันเมื่อไหร่ก็อาจจะเดือดร้อนกินเหล้าเ ม, มาไมยไปทะเลาะ ก, กันเตีกันตายขับรถเกิดอุบัติเหตุพิการอันนี้ก็โชคร้ายเห็นเห็นเงินคนอนื่นเขาวางอยู่บนโต๊ะนะโทรศัพท์หรือว่าเป็นทองสายสร้อยวางไว้หรือแขวนไว้ในห้องน้า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 เรามาโลกนี้นะสะวรรคหนึ่งก็ต้องไปจากโลกนี้นะให้ข้าพัศานี่มาเตือนใจเราอย่างนี้ด้วยนะว่าเนี่เป็นธรรมดาโลกมีเข้าก็ต้องมีออกนะเจอก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพรากนะมาแล้วก็ต้องไปสว่าหนึ่งเราก็ต้องออกจากโลกนี้ไปนะก็มีหลายคนก็ไปก่อนเรานะจนนัไม่ทวนแล้วให้ระลึกบ้างว่าเออทุกอย่างก็มีวันสิ้นสุดนะเรารอให เข้าพรษาสิ้นสุดนะเราังได้ไปเที่ยวเราจะได้มีสละนะแต่ก็อย่าลืมว่าชีวเราก็มีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะให้ความสิ้นสุดเนี่ยนะของชีวิตเนี่ยระลึกไว้บ้างก็ดีโดยเพราะในช่วงนี้นะก็มีการพูดถึงการสวรรคตของในหลวงก็อย่านึกถึงแค่นั้นนะให้นึกถึงเราว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องอเดินตามท่านไปเหมือนกัน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 นะพ่อแม่ออกที่มาจำศีลนะนะส่วนใหญ่ก็ามากันทุกศีลนะก็ถือว่ามาเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกับพระโดยพาะพระใหม่กับแม่ชีนะก็ถอบภาษาแล้วเนี่ยปีหน้าเข้าราษาก็มาใหม่นะคนอื่นใครจะมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เรานะถ้ามาได้ก็มานะถือว่ามาตอบแทนบุญคุณนะ